หัดทำความสงบหัดทําใจให้เป็นกลางๆเป็นกลางๆของทุกสิ่งทุกอย่างทาว่าจะเป็นต่างๆนี่เราลองคิดดูถ้าเผื่อในเรื่องเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับระยะทางถ้าไปข้างหน้าก็ไม่กลางข้างหลังก็ไม่กลางมันต้องอยู่ตรงกลางนี่อยู่ตรงนี้ มันเป็นกลางข้างซ้ายก็เมืกลางข้างขวาก็เหมืนกลางมันต้องอยู่ตรงตรงนี้ตรงในกลางเราเนี่ยมัที่เป็นกลางที่พูดถึงระยะทางหรือทิศทางหรือพื้นที่ถ้าพูดถึงการเวลาก็เหมือนกันเมื่อวานก็เมืกลางพรุ่งนี้ก็เหมืกลางถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนีย่ยกลางถ้ากลางของเวลาทั้งหมดก็คือ ปัจจุบันในเราคิดในนี้่กลางของทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออยู่ในเราอยู่ในเราคนข้างๆที่อยู่ข้างซ้ายก็ไม่กลางคนอยู่ข้างฟ้าก็ไม่กลางเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตก็ไม่กลางเรื่องอนาคตก็ไม่กลางเรื่องปัจจุบันนี่แหละมันอยูกลาง เพราะยานั่นการที่ทําใจเป็นการก็คือการที่ทําใจให้อยู่ในในเราในตัวของเราในตัวของเราเนี่ยเรายังไม่กลางคอต้องอยู่ในใจทําใจให้อยู่ในใจมันจริงจะเป็นกลางถ้าจิตใจอยู่เป็นกลางแล้วมันก็คือไม่ปัดไปฝ่ายไหนมันไม่ปัดไปในฝ่ายดีมันไม่ปัดไปในฝ่ายตัว มันไม่ฝัดไปในฝ่ายถูกไม่ฝักไปในฝ่ายผิดไม่ฝักไปในเรื่องในอดีตไม่ฝักไปเรื่องในอนาคตเนี่ยมันก็ยืนนิ่งเฉยตรงนี้อันนี้เป็นกลางให้จเป็นกลางใจเป็นกลางแล้วสบายไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรจะฉุดจะจ ะ, จะดึงไปได้เปิดอยู่สบายอยู่สบายเป็นอย่างนี้ที่นี่เราภาวนานัเนี่ะ เรามีความอยากเป็นพื้นมีความอยากกอดีอย่าหลอกความอยากถ้ามันพอดำพอดีพอดีอยู่แต่ความอยากถ้ามันเกินไปมันก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ยอมรับฟังเหตุตำความลผลไม่พิจารณาเลยแบบนั้นแหละมันอยากเกินไปถ้าอยากเกินไปมันก็ไม่พอดีคาว่าเกินไปเกินไปนะคุอมันไม่พอดีถ้ามันอยากแค่พอดี มันก็ดีอยู่อย่างเช่ว่าเราอยากภาวนาเนี่ยอันนี้ดีอยากภาวนาดีแต่ว่าพอเมื่อภาวนาอยู่นั่นนี่ความอยากให้เอาออกให้เอาเพียงจะอยากทาอยากจะเป็นก็ไม่ได้อยากจะมีฤทธิ์มีเดชก็ไม่ได้อยากจะให้จิตมันสงบ ก็ไม่ได้ในขณะที่ทำนะในตอนแรกนันดีอยู่อยากให้จิตสงบดีมันจะได้มาเริ่มเดินจงกรมจะได้มานั่งภาวนาแต่พอมาเริ่มจริงๆแล้วนะอยากเหล่านั้นเอาเก็บไว้เสียเก็บไว้เอาแต่แค่พอความอยากจะทำนะถ้าอยากจะเดินจงกรมพร่อยากนั่งสมาธินะเอาเอาแค่นี้อันนี้เรียกว่าแอบพอดี ถ้ามันพอดีแล้วมันดีหรอกอะไรต่างๆทุกอย่างถ้ามันพอดีแล้วมันดีเหมือนอย่างท่ายกับขวาเนี่ยแหละถ้ามันไม่ท่ายอยู่มันก็ยังไม่พอดีถ้าขวาอยู่มันก็ยังไม่พอดีถ้ามันอยู่กลางๆเนี่ยแหละมันพอดีถ้าเขาต้นหนึ่งแ้าไม่ปักไว้ในดินนะเอาตั้งไว้เฉยๆเนี่ยถ้ามันอยู่พอดีพอดีมันตั้งพอดีมันเราไม่อยู่นิ่งตรงการดิ่งเลยแต่ถ้ามันเอียงไปทางไหนสักหน่อยมัน มันไม่คดีแล้วมันไม่อยู่หรอกลม้มอย่างนี้ก็เหมือนกันหแหละถ้าเราทําใจให้มันเป็นอยู่นิ่งๆ ก, กลางได้ไม่ไปอดีตถ้าสมมุติว่าเรากํล า, นะาลังคิดถึงเรื่องที่แล้วมานะใจกําลังคิดถึงเรื่องที่แล้วมานน้นหลายวันนน้นหลายเดือนลหลายปีแล้วว่าคิดไปถึงตอนที่เราเป็นเด็กนน่นนะอันนั้นเรียกว่าคิดในอดีตถ้าเรากําลังคิดอยู่ใน edit, อดีตเดี๋ยวเราไปค้นนึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วไม่ไม่กลางล้วลากกลับมาเอาแล้วคิดไปถึง พุ่งนี่จะทํายังไงมลายนีทําไงโอ๊ยไม่ได้อ น, นั่นก็เป็นอนาคตมันไม่ร้างเราก็มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเชว่ารับรู้อยู่เฉยๆตรงกลางกลางนี่มันจะเด็ดกลางแค่รับรับรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างเราคิดว่าขณะนี้ขณะ น, นี้รู้ลมหายใจเดีย๋ยวนี้หายใจเข้าขมีไหมไหายใจออกมีไหมแน่เรารู้แค่ น, นี้แหละก็เป็นรู้อยู่ตรงกลางเนี่ย ถ้ามันรู้อยู่ตรงนี้นิดเดียวก็อาจจะยังไม่ชัดถ้ามันรู้อยู่หายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักหายใจเข้าก็รู้จักหายใจออกก็รู้จักนี่อยู่สักพักเดียวเท่านั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่วุ่นวายมันไม่เดือดร้อนมันไม่เดือดมันไม่ร้อนอันนี้เพราะมันอยู่นี่เพราะมันอยู่กลางอยู่ในเราเนี่ยมันก็เลยไม่ออกไปเดือดไม่ออกไปร้อน เมื่อไรอยู่สบายางนั้นก็ได้รับความดีอย่างนี้แหละเราหัดทำอย่างนี้หัดที่นี่ทีนั่นอย่างนี้แหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะจริงๆแล้วมันมีความข้อมมูลอยู่หมดทุกอย่างเลยพร้อมที่จะเสนอเราอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงเราเท่านั้นแหละที่ไม่แยแสเขาไม่แยแสไม่สนใจไม่สังเกตไม่ไมเข้าดูถ้าเรา เพียงจะสนใจให้ความสนใจเขาเท่านั้นแหละมันก็จะได้ดีขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมันมีความดีตากปดอยู่แต่เราไม่ชำเลืองอาจจะเป็นว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหยิ่งยะโสเกินไปไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่ในสายตาก็เป็นได้สีนักดามีพร้อมอยู่ถ้าจิตใจเราไปแย่แสที่บ้าน ไปสนอกสงใจสิบ้างเราก็จะฉลาดขึ้นมาบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอนอยู่ถ้าเราไปตั้งอกตั้งใจพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆพิจารณาโดยความละเอียดโดยความตั้งอกตั้งใจมากขึ้นมันก็จะฉลาดมากขึ้นนี้ความฉลาดนั่นนะ่ะถ้าเราฉลาดในตัวของเราเองนี่จะเป็นประโยชน์มากทีเดียว เพราะว่าเราที่เกิดมาเราก็เกิดมาด้วยกันก็มีตัวเรานี่แหละเป็นเอกในแผ่นดินละ่ะตายผู้เราใจของเราเนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยรู้จักตัวของตัวเองเลยรู้จักแจ่บักแข่งอยู่ตรงนี้ขายอยู่ตรงนี้เลยไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นแต่ไปรู้ข้างนอกดีนั่นแหละความรู้เนี่อรู้ต่างๆเรารู้ตัวเราเนี่ย ไม่มากไม่ดีแต่ความทุกข์มันเกิดน่ยมันมันไปเกิดที่อื่นน่ยมันมาเกิดที่เราอสินี้เราก็ไม่รู้ตัวเราทุกข์นี่มันเกิดอยู่เกิดที่ไหนเราไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระครูบาอาจารย์นั่นบอกว่าทุกข์มันเกิดที่ใจเราก็ไม่อยากจะเชื่ออีกแล้เ น, นี่ยแค่นี้แหละเอาลองเอามือหยิกเอาหยิกที่ขาดิเนี่ยมันก็เจ็บที่ขา ท่านบอกว่าทุกที่ใจแล้วก็ไม่ทื่อ่ะเราบอกทุกมันจะเกิดที่ขาอย่างนี้แหละเนื่องจากความไม่รู้เรื่องของตัวจริงๆหรือว่ามันอะไรเกิดที่แกงที่ขาบกเจ็บที่ขาบกที่ทุกที่ขาความจริงแล้วท่านบอกทุกมันเกิดที่ใจอันนี้คือท่านรู้ตัวของท่านแล้วท่านก่อสการให้เราถ้าเรารู้ตัวของเราจริงๆแล้วเราจะรู้จักว่าทุกทั้งร้ายมันจะเกิดที่แกงที่ขาที่ไหนก่อนต้นเหตุมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ ผลที่เกิดคือความทุกข์นมันเกิดที่ใจนี่น้องฉลาดถ้าเรารู้จักเรื่องของตนมันก็จะฉลาดขึ้นอย่างนี้แหละฉลาดขึ้มนมาอ๋จริงๆแล้วทุกข์เน่่ยิกที่ขาตัวจริงแต่มันทุกข์ที่ใจนี่มันจะฉลาดขึ้นแล้วที่ที่เจรนาไปอีกด้วยมันก็จะฉลาดไปอีกกว่านั่นอีกนะไม่ไม่ใช่แค่นั้นอันนู้นแค่นั้นแต่รู้ตัวดีขึ้นมาหน่อยแล้วฉลาดขึ้นมาหน่อยแล้ว ดีขึ้นอันนี้คือผลของความที่เราอยู่เรารู้เรามาสังเกตเรามาดูตัวของตนเองเนี่ยมันดีอย่างนี้รู้แล้วฉลาดขึ้นระบัางแล้วถ้าดูไปอีกนะได้ความสงบดูไปอีกดูไปอีกจะรู้ว่าทำไมมันจึงไปทุกข์เราอันนั้นทำไมจึงไปทุกข์มันทุกข์ใจอะละรู้แล้วยอมรับแล้วมันทุกข์ใจ แค่เผื่อคนคนตายหรือคนไม่ได้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไปยิดเท่าไหร่มันก็ไม่เจ็บอย่างสมมติคนมันกำลังตั้งอกตั้งใจมองอยู่ตรงโน้นให้ความสนใจตรงนน้นตรงโน้นมันมกาลังมีเรื่องสนใจสนใจอะไรเนี่เราไปทําอะไรไปตะโกนเรียกมันก็ไม่รู้จักไปสะกิตก็ไม่รู้จักไปยิดก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเจ็บด้วยท่านอย่างนั้นก็มีอันนั้นเพราะใจมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันทุกข์มั น, มนทุกข์จิตใจ ถ้าเปื่อใจไม่ไปแยแต่แล้วมันเหม่ทุกเนี่ยสังเกตตั้งแต่คนตายขาเขามีอะไรเขมีเพิ่งตายไป ใ, ใหม่ๆเนื้อตัวยังนิ่มอยู่กังเสมือนเราเนี่ยเอามือไปเย็บก็ไม่เจ็บเอาค้อนไปทุบมันก็ไม่เจ็บเพราะใจไม่มีอ้าวเราเชื่อล่ะเชื่อว่ามันเอิมทุกข์ขี่ใจจริงๆนี่เพรความละเอียดมากขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อรู้ไปอีท่านบอกว่าที่มันทุกขนะ์น่ะไม่ใช่เพราะอย่างอื่นหรอก เพราะใจมันจะไม่ยอมใจมันจะไม่ยอมรับใจมันจะผลักไกใจมันจะต่อต้านอันนั่นแหละมันเป็นทุกข์ถ้าอย่างสมมติว่าใจมันไม่ต่อต้านเยู่แล้วอ่ะต่อให้มันเป็นยังไงมันก็ไม่ทุกข์เราพิจรารณาก็ย่างมองไม่เห็นแต่ถ้าจิตใจเราสงบเราได้ดูกันละเอียดเข้ามาดูกันนานๆดูด้วยจิตใจที่สงบทั้ง อ, อกตั้งใจมากกว่าเขา มันจะเห็นชัดเห็นแจ้งจริงมีวางเรื่องหลายเรื่องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่เราเราไม่แย่แต่ก็เลยไม่เป็นไรให้ผ่านไปได้ไม่เป็นไรแต่บางเรื่องเรื่องเกา่าเรื่องทานองเดียวกันนั่นแหละแต่เราหยิบยกขึ้นมาเอาเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เดียอันนั้นเกิดความลําบากเกิดร้อนเกิดความทุกข์เกิดความเหนือยล้าเกิดความทุกข์ความยากไพ่ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการที่จิตใจของเราไปรับเอาอสิ่งต่างๆทั้งหมดตอนพิจนารณาจิตสงบหรือมีความตั้ง อ, อกตั้งใจใลกพิจารณาอยู่จริงแล้วความเห็นต่งางๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาชัดเจนจากเรื่องละเอียดละเอียดเข้าไปข้างในนั้นก็เลยกระจายทั่วคลุมไปหมดความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เ่ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังนัตตก็ดีที่เป็นทุกขโ ม, มุทัยมิโลดมากกว่าดีหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรืออะไรต่างๆมันจะทัดเจ่งขึ้นมาทั้งหมดมันผูกคล้องทั้งหมดมันเป็นจริงทั้งหมดในเด่นบอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตจาร์เนี่ยความเป็น น, นัตจาเนี่ยเป็นอย่างนั้นทัหมดทุกอย่างไม่ย้ากัดเฉพาะว่ารถยนต์คันนู้นมันไม่ใช่ของเราที่ดินแปลนนู้นไม่ของเรา ไม่ใช่เท่านั้นแม้กระทั่งร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราด้วยมันจะพอบคลุไม่เคยเยเห็นเข้ามาในที่สุดแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่ละเอียดข้องเกี่ยวกับเราเลิศเกินเป็นของเราเลิศเกินอะไรเลิศเกินเนี่ยมันก็จะสามารถจะเห็นเป็นอนิจจสุขอนาศาศัตตาเห็นเป็นจริงๆริงจังๆอย่างนั้นอันนี้เพราะความที่เราทําความสงบเพราะย่านการทําความสงบที่จะเป็นเรื่องดี เราจะรู้จักไม่รู้จักแต่เราก็พยายามรักษาความสงบความเปน็นกลางไว้ให้ได้เรามีความเป็นกลางของใจไว้เราลองคิดดูว่าเอาใจที่เป็นกลางเนี่ยเอาเป็นมาตรฐานเนี่ยเอาเป็นมาตรฐานความที่มันไปทุกข์น่ยเพราะว่าใจมันออกไปจากกลางคล้ายกับเสาต้นหนึ่งเนี่ยที่มันตั้งอยู่ที่ว่านั่นถ้ามันตั้งอยู่เฉยๆแล้วมันไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปพยุงอะไรมมันก็อยู่นิ่งได้ แต่ถ้ามันเอียงไปสักหน่อยแล้วคราวนี้ต้องมาค้ำต้องพยุงกันล่ะต้องใช้กำลังกันล่ะนั่นคือมันฝืนแล้วนี่ยมันเกิดความไม่ปกติแล้วมันจะล้มมันจะโค่นต้องยันต้องดึงกันไว้เพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเผื่อเราพยายามทรงไว้ให้มันเป็นกลางจนกระทั่งมันเป็นนิสัยของมันนิสัยของจิตถ้าเราตอนไหนเราต้องการความทรงเราก็ต้องแทบมาที่ตรงกลางนี่ สักพักหนึ่งแล้วมันก็อยู่เองอยู่นิ่งเอเราก็รับรูอ้อย่างนั้นอะ่ะเอ้ไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็อยู่นี่สบายถ้าอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็สบายเท่านั้นเอาอันนี้เอาอันนี้แหละเป็นเป็นมาตรฐานวัดถ้าสมมุติว่าเราเกิดความรุ่มร้อนเกิดความกังวลที่ไหนเกิดความบาดความหวั่นความกลัวที่ไหนจงดูเถิดดูใจเถิดอ๋อมันไม่อยู่ตรงกลางซะแล้วมันหนีออกไปจากนี่เสรแล้วมันเอ็นมันเอียงออกไปซะแล้ว เราจะได้รู้ทันทีเลยแล้ววิธีจะทํำทำไงเอาก็ทำอย่างที่เราฝึกนี้แหละพี้ก็หัดนิ่งไว้ตั้งไหม่เอาคราวนี้ตั้งไหม่เอาวางกลางๆนะไม่ไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังนะอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ไปฟ้าไม่ไปใต้เสียงอะไรหึ่งๆข้างนอกก็ไม่ต้องไปละอยู่ตรงเนี้เราพยายามทำอย่างนี้อันนี้เลยเป็นการฝึกเมื่อเป็นการฝึก แล้วก็เป็นการที่ใช้สำหรับว่าถ้าเปลือจิตมันออกไปแล้วเราจะเรียกมันกลับคืนมาเราจะตั้งเอาเท่ใหม่เกาจะต้องใช้วิธีนี้แหละมันก็ออกไปชานานแหละเราก็ทาอยู่ทาบ่อยๆจนชนานามในที่สุดเมื่อไหร่เราต้องการความสงบก็กำหนดมาตรงนี้ทันทีอยู่ ใ, ในสภาพไหนสภาวะไหนสิ่งแวดล้อมยางไงกาหนดแอปมาที่นี่แล้วจะเห็นผลทันทีเลย โดยเฉพาะถ้าใครเคยฝึกกำหนดจิตแล้วนะตั้งสติกำหนดจิตอย่างลุงปู่ทั้งพูดเนี่ยเนี่ยถ้าใครเคยฝึกอันเนี้ยแล้วเข้าไปสู่ในที่ประชุมชนดิประชุมทีชมชม่ชุมชนก็ยังเอะอะโวยวายเจงแจอะไรอยู่นั่นแ่ะลองกำหนดนิ่งมาที่ตัวเองเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเห็นความที่จิตของเราอยู่นิ่งนิ่งดีตรงกับความที่เขาเอะอะโวยวายจะเห็นชัดต่างกันชัดเจนเลยโอ้มันต่างกันอย่างนี้ พวกนั้ น, นวุ่นวายล้มระเนระนาเตะไปนู่นเตะไปนี่แต่จิตของเราเทียบกันดูแล้วตั้งนี้ความสะดวกความสบายความไม่รุ่มร้อนของเราเกิดขึ้นมาปรากฏทันทีเป็นความล่มเย็น ท, น ท, นทันทีเลยเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นคือว่าเอาอันนี้แหละเอาความเป็นกลา ง, ลางนึกอะไรไม่ออกก็นึกว่ากลางก็คือไม่ข้างหน้าไม่ข้างหลังไม่ข้างซ้ายไม่ข้างขวาไม่ข้างบนไม่ข้างล่าง อยู่ตรงการก็อยู่ในนี่ยมีเ ม, ม, ม, ม่ไว้เนี่ยคิดได้เท่านี้ก็ใช้ได้หรือจะคิดเรื่องเวลาก็ได้จะคิดเรื่องเวลาก็ว่ า, วาไม่ใช่อดีตไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่วันก่อนไม่ใช่เมื่อเช้าเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ขณะนี้น่ะเนี่ยพอกาหนดขณะนี้จิตใจมันก็อยู่อี่ยเอาอย่างเนี้ยเอาเอาในหน้างงําภาวนา อ่าตอนนี้ฟังเทศของลุงปูนน่กำหนดจีดไว้นิ่งๆอย่างที่ว่านี่แหละ